ข้อ4ีปัญจะมีวิพัตในอัดนามโยคะนามโยคะนามก็คือสับนามหรือนามสับโยคะก็ประกอบในที่ประกอบกับนามนั่นหมายความว่าแปลปัญจะมีวิพัตน้เข้ากับสับนามไม่ได้แปลเข้ากิริยาแหะแปลเข้ากั บ, กาากบนามตัวไหนเป็นสัตมีวิพัตก็จะแปลตัวนั้นเข้ากับคําที่เป็นนามไม่แปลเข้ากับคาที่เป็นกิริยา ถ้าทาตุโยคันนั้นแปลข้อกับกิริยาดูตัวอย่างข้อ1นึ่งา น, นยัตตังระทุกขาสัมโพตินานยัตตังระก็คือณนะบวกอัญยตตังระณอัญนะยตตังระนานยตังระทุกขาสัมโพติอัญยตตังระแปลว่าอื่นอย่างอื่น อันยตังระนั่นแปลว่าอย่างอื่นอย่างอื่นสิ่งอื่นนะอย่างอื่นหรือสิ่งอื่นทุกขาจากความทุกขอย่างอื่นจากความทุกอื่นจากความทุกขณสัมโพติย่อมไม่เกิดนอกจากความทุกไม่มีอะไรเกิดนั่นเองอื่นจากความทุกขย่อมไม่เกิดณสัมโพติแปลว่าย่อมเกิด ณไม่เกิดอื่นจากทุกไม่เกิดก็คือไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกนั่นเองทุกเกิดไม่มีอะไรเกิดข้อสองนานยังทุกขานิกรุชตชาตินานยังก็นะอันยังอันนี้ก็เหมือนเดิมอะ่ะแปลเหมือนเดิมเปลี่ยนกริยายเป็นนิกรุตชาติ อันยังสิ่งอื่นทุกขาจากความทุกณ น, นิรุ ช, ชติย่อมไม่ดับไม่มีสิ่งอื่นดับทุกนั่นแหละดับข้อแรกบอกว่าทุกนั่นแหละเกิดไม่ใช่สิ่งอื่นเกิดก็อสองทุกนั่นแหละดับไม่ใช่สิ่งอื่นดับนอกจากความทุกขแล้วก็จะไม่มีอะไรดับอีกแล้วก็คือทุกนี่เกิดเกิดดับๆอย่างนั้นเองอย่างอื่นไม่มีเกิดไม่มีดับ ข้อสามอุพยโตสุชาโตปุตโตปุตโตก็แปลว่าบุตรสุชาโตแปลว่าเกิดดีแล้วเกิดดีแล้วเกิดดีเกิดมาดีอุพยโตจากสองฝ่ายอุพยะแปลว่าทั้งสองทั้งคู่ใช่ั้มจากสองฝ่ายอุพยาเป็นสรรพนาม จากมารดาและบิดาทั้งสองเกิดดีแล้วจากมารดาและบิดาทั้งสองเช่นลูกเกิดมามีศีลแสดงว่าพ่อก็มีศีลแม่ก็มีศีลอย่างนั้นลูกที่มีศีลดีเนี่ยเพราะว่าฝ่ายพ่อก็เป็นคนดีฝ่ายแม่ก็เป็นคนดีอย่างนี้เรียกว่าเกิดดีจากสองฝ่ายข้อสอีโตปังรังปังรังอื่นหรือข้างหน้า หรือต่อไปนั่นแหะนะอิโตปรังปรังอื่นปะปะปรังอื่นอิโตจากนี้ข้างหน้าจากนี้ไปเวลาใครฟังเทศประจําประจำ ม, มันนะเทศแบบประเพณีเทศอ่ะพระเถระท่านจะเทศงานสําคัญสาคัญท่านมักจะอ้างบาลีอยู่เรื่อ ย, อยว่าอิโตปรังเบื้องหน้าต่อจากนี้ไปอัตมภาพ จะได้รับประทานวิสัชนาธรรมกถาเพื่อประดับสติปัญญาของท่านสาธุชนผู้ใครในการสับธรทำทั้งหลายอะไรอย่างเงี้ยโอ้โห้าเรอเรียนเราเรียนพันะ <c oughs> มาไม่เป็นอนแะต่มาว่าแล้วเขินในว่าอย่างเนี้ยสมัยฝึกเทศใหม่ๆอย่างนี้แหละไปเทศละวขำตัวเองอ่ะลองดูแตมาขึ้นเทศนะนะแตมาเล่านิทานไปตัวเองก็หัวเราะไปเลยนะแต่คนฟังนั่งงงเลยคนเล่านี่ทั้งเล่าทั้งหัวเราขนะขำแต่คนฟังงงอยู่ฟังแล้วม่ขำเลย หลวงพี่อยู่ข้างล่างเอ๊ะพระองค์เนี่ยเทศยังไงวนลออยู่คนเดียวคนฟังเชยอ่ลองแปลดูซิทีเนี้มีสี่ข้อสั้นๆนานยัตังกระาทุขาสัมโพติ อื่นจากความทุกย่อมไม่เกิดหรือว่าจะสิ่งก็ได้สิ่งอื่นจากความทุกย่อมไม่เกิดหรือถ้าสำนวนโวหารถ้ท่านจะแปลว่าอย่างนี้อื้อนอกจากความทุกข์ไม่มีอะไรเกิดต่อไปข้อสองนานยังทุกขานิกรุษชาติ นอกจากความทุกข์ไม่มีอะไรดับอนอกจากความทุกข์ไม่มีอะไรดับหรือว่าอื่นจากความทุกข์ไม่มีอะไรดับอุพยโตสุชาโตปุตโตบุตรผู้เกิดดีแล้วจากสองฝ่ายจากมารดาและบิดาทั้งสองฝ่ายสีโตปังรัง ต่อจากนี้ไปต่อจากนี้ไปไม่ต้องข้างหน้าแล้วครับว่าต่อต่อไปนะี่คือปรังอีโตแปลว่าจากนี้ปรังแปลว่าต่อไปจากนี้ต่อไปก็ได้ต่อจากนี้ไ ป, ไ อ, ปอีโต้ปัญชมีปรังแปลว่าข้างหน้าจริงๆป ร, รังนะี่แปลว่าข้างหลังนะแปลว่าข้างหลัง ปลังแปลว่าอื่น่การอื่นนอกจากการเนี้ยแต่ภาษาไทายเขามากพูดว่าข้างหน้าเขาเรียกว่าข้างหน้าภาษาไทยมากพูดว่าข้างหน้าฮะไม่ประระตัวนี้เขาแปลว่าข้างหลังอย่างเช่นพิษเนี่ยนะถ้าถ้าข้างหน้าเนี่ยเขาจะแปลว่าปุกพระ <draußen. S 2> ถ้าปัญระเนี่ยข้างหลังถ้าปุกพระในข้างหน้าอย่างเช่นบุรพาเนี่ยพิษหน้าใช่ไหม ส่วนทิ่ตะวันตกเนี่ยเป็นปราริตเนี่ยปราริตทิศอื่นจากทิศตะวันตกอันนี้มันการการอื่นจากการนี้โดยความหมายการอื่นจากการนี้ปรารถการอื่นอีโตจากการนี้ก็เลยหมายถึงว่ามันยังไม่ถึงอะ่ะเป็นสำนวนก็เลยแปลว่าข้างหน้าจากนี้